อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนระสูยถธามนิชโชติระโสยถธาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสานิจจังบุตถาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาฏฐานิอายุวันโนสุขังภาลังเพราะว่าตูสพภะมังคลังราขันตูสัพาเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสั พ, พธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังคานุภาเวนะ สทาโสถีภวันตุเต